พีกรผู้เ ค, ครารัการฝึกเรื่องการแผ่เมตตาในภาคปฏิบัติวันนี้จะให้ฝึกในประเด็นของการใช้เมตตาเพื่อให้เกิดวิญภาพในบางลักษณะเราคงจะเคยได้ยิน <Okay. Okay. S 1> คำหนึ่งหรือ เป็นการมัาหนึ่งหรือมุณ์แขนงหนึ่งหรือจะเรียกว่าเป็นอย่างอื่นใดก็ตามที่เรียกว่านะเมตตานะเมตตาหรือลงนะเมตตาบางบางคนก็ใช้วิธีการเศษน้ําล้างหน้าตอนเช้าเวลาล้างหน้าก็ตักน้ำขึ้นมาแล้วก็เซตคาถาอาจจะเป็นนะโมพุทธายะหรือจะเป็นคาถาอื่นก็ตามนะฮะที่ สอนกันกมผมก็ไม่ทราบว่าการทําอย่างนี้มีใครเป็นตัวอย่างยืนยันว่าได้ผลผมก็ไม่เคยทําแล้วก็บางทีก็ใช้วิธีการการเจิมโดยอาจารย์ขังหรือว่าโดยพระที่เป็นพระขัขงผมก็เคยไปเจิมมาโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็โดยไม่ได้สนใจ ว่าบางเอ็นแวะไปคุยกับลาแล้วท่านเป็นตาตังเองเช็นหลวงพ่อแหล่ที่วัดวัดหนึ่งอยู่ในเมืองเพชรบุรีที่คนขึ้นเป็เยอะเข้าแวะไปก็ไม่ได้รู้ไม่ได้รู้มาก่อนไปถึงก็ก็ไคยพบมาท่านเป็นพระต่างๆสร้างพรเรื่องร้างวัตถุมงคลต่างๆมาก็ท่านก็มีเมตตาดีไปถึงนี้ท่านก็เต็มมากเต็มโดยเอา เจ ม, มแป้งแล้วก็เจดไม่ที่หน้าผากก็ไม่รู้สึกว่ามันทำให้เราดีขึ้นเลยหรือเ่ลวนะฮะ mm hmm. แกนั่นท่านก็บอกว่าเจอไม่ตาทาให้เกิดไม่ตาเราก็คิด ด, ดูกระไดแล้วก็ไม่ได้เลยก็ได้เกิดะไรขึ้น mm hmm. บางบางทีก็อาจจะใช้วิธีการอย่างอื่น mm hmm. บางทีก็ใช้กระดาเวลาจะออกไปไหนมาไหนก็ เสริม น, น่าเมตตาบางคนก็ต้องใจจะพูดเจรจาได้รับความสําเร็จก็เอาที่พุ่งหรืีพุ่งเดิดคถาเปิเองก็ได้ตามวิชาทางนี้นะครับป้ายดินพิปปากเวลาไปพูดเจรจากระจาก็คําพูดก็มีเสน่ห์ทำให้เกิดความสําเร็จความร่ไม้ร่ ม, มือรับใช้รับคือตามที่เขาวา่าก็ทํำกันแล้วผัดถามนี้แต่บางคนที่มีนิสัยเชื่ ก็อาจจะมืองในทางเจ้าู้คือลงน้าเมตตาแล้วก็อแสวงหาผลกำเร็ดของคนจะดูนะซึ่งผมเองก็ไม่เคยตรงนี้นะนักขอยก่อนแต่ว่าเคยเจอคนที่เขาลงน้าเมตตาแล้วก็ประหลาดมีความรู้สึกว่าเขามีพลังทางนี้ที่จริงเป็นคนขับแท็กซี่ผม เคยตื่นเต้นเกิได้อีกั้ที่เวลาเขาไปไหนมาไมักจะมีคนมาตรงถึงรู้ติงนะสมายถึงเป็นตรงข้ามในลักษณะในเชิงลูกสาวเนี่ยให้เห็นบัณตาเขาบอกเขาเขาลงนละเมตตามาแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก็ไปไปที่หนึ่งที่เป็นพวกที่เขาเล่นทางสมาธิเขาก็มองไปที่หนาผาเขาบอกว่าไอ้ไอ้กระแตเมตตาที่ลงไว้เนี่ยมันออกมาเป็นปะกาย อย่างมาผักพอออกมาผมก็ถามมาจริงนะเขาบอกจริงเขาเคยลงนั่นเนตตาไว้ตั้งแต่สมัยยังเป็นหนุ่มตั้จากตั้งตาหน้านนะจากพวกกระต่างกางันแต่ว่าชีวิตเขาก็ไม่มีความปลุกขับชีวิตเขาก็วุ่นว้ยุ้นยุอยนี่นที่ผมเล่าฟังเนี่ยผมไม่ต้องการจะมาบอกว่าให้ท่านไปลงนั่นเนตตาหรือผมไม่ต้องการจะมา ทุกคนดีจะชวนให้จันทรุปนัเมตตาแบบนี้เพราะว่าอนักเมตตาแบบนี้มันเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวนะมันเป็นเรื่องของการที่เมื่อกระทำลงไปแล้วก็มักจ ะ, ะใช้เป็นเครื่องมือในการทําบาปในลักษณะอย่างไดหรือใช้เป็นเครื่องมือในการเอาเปรียบคนหรือไม่ว่าจะไปเพื่อทำมาค้าขายหรืเพื่ออะไรก็ตามนะมันเป็นผลที่ออกมาแล้วก็เป็นผลร้ายเป็นผลในทางทําลายแก่ตัวเองในที่สุด จะทำลายคนอล่นก่อนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรียกว่าคนนเมตตาจริงๆในแบบพระพุทธศาสนาเนี่ยมันมีอยู่แต่เราก็รู้ว่าในการแผ่เมตตาแต่ตรงนี้ทางศาสนากับใช้คำว่าการแผ่เมตตาไม่ใช่การลงเมตตานะมันอาจจะแยกกันอย่างชัดเจนว่าถ้าเป็นการลงเมตตาเนี่ย มันหมายถึงการมุ่งที่จะทําให้คนอื่นก็รักตัวแต่ตัวเองนั้นไม่ต้องไม่ต้องคิดที่จะรักคนอื่นไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องสนใจไม่ต้องรับผิดชอบว่าเราได้ให้อะไรแก่เขาก็คือหลงที่ตัวเองแล้วไปทำใอื่นตัวก็มีหน้าหน้าที่รักตัวตัวก็มีหน้าที่เอาลัดเอาปรีดใช้ความรักของคนอื่นให้เป็นประโยชน์แก่ตัวโดยประการต่างๆอมันก็ไม่ใช่หักทางศาสนาแต่ว่าต้องมี คือหลักของศาสนาเนี่ยเป็นที่เป็ในในเบียตามันกับเริ่มที่การที่เราทำตัวของเราให้เป็นผู้รักคนอือ่นนะแล้วก็ทำให้คนอื่นรักตัวจากความรักของตัวทำให้คนอื่นดีกับตัวจากความดีของตัวคือเพ่งมาที่ตัวเองหรือเพ่งมาในแง่ของการให้ แล้วก็มีความรู้สึกปรารถนาเสนอว่าสิ่งที่เราได้จากคนอื่นคือความรักจากคนอื่นเนี่ยเป็นเพียงผลพลอยได้แล้วก็เป็นสิ่งที่เราได้มาก็เพื่อที่จะทําให้เกิดประโยชน์ร่วมกันหรือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยสามารถจะอนุเคราะห์คนที่มารักเราได้เหมือนอย่างพระที่ทั้นแต่เนตตา ให้กับสัตวเวลาสัตว์เชื่องเชื่องในเมตตาของท่านเข้ามาอยู่ใกล้ท่านท่านก็สามารถช่วยเหลือสัตได้ํานองอย่างนี้นะฮะไม่กลัวหรือว่าครูบาอาจารย์ที่ใสเมตตาไปให้ผิวเสียงรูสิกก็เกิดความรู้สึกว่าต้องอยู่ในกระแสเมตตาก็ท่านก็คงเข้าได้หรือในกรณีของช้างนารฬิกีที่พระพุทธเจ้าทรงแผ่เมตตาให้ ทำใหท่านสามารถสังเคได้เพียงอย่างน้อยนี่ก็การที่ช้างนาคีรนั้นหายจากจากพิษปุรที่ทําให้เมาเนี่ยก็นั่นก็เป็นการสังเกราะหนึ่งแล้วก็ทําให้ช้างนาคีรนั้นไม่ต้องมาทำบาปเดียดเบีย้ยตุทธเจา้ห า, จาหรือเกดเบี้ยคนอื่นนี่นะมันก็ได้ประโยชนย์แก่คนทุกฝ่ายอันนี้ก็เป็นเรื่องของของเมตตาที่ที่ท่ทานจะทำอย่างนั้น ก็โด้ตะลิแล้ำก็เป็นเรื่องดีเกื้อกูลกันนะทีนี้ว่าถ้าเราแผ่เมตตาอย่างธรรมดาเนี่ยเวลาเราแผ่เมตตาอย่างธรรมดาเนี่ยเราเราก็แผ่อย่างกวา้างในลักษณะที่ไม่ได้เจาะจงผลนะเมื่อเมื่อไม่ได้เจาะจงผลเนี่ยเราก็ไม่ไม่มีวิธีที่จะที่จะบิดเดินทางเดินของของหน้าเมตตาให้มันนําเข้าไปสู่ผล ส่วนที่เราต้องการจะให้มีหรือต้องการจะให้เป็นในถ้าหากว่าเราอจอดจงผลไอการจอดจงผลนี่อาจจะเป็นสิ่งที่เราจอดจงขึ้นมาจากความจําปรารถนาของเราก็ตามหรือเกิดขึ้นมาจากความคิดเพื่อธีการของคนอื่นเขาออกหน้าประทามเนี่ยก็ก็จะทําให้เราเนี่ยทำได้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง น, นะคือถ้าพูดให้ชัดหน่อยขึ้นๆเนี่ยก็คือว่า ถ้าเราคิดจะสงเคราะห์ใครสักคนแล้วเราแผ่เมตตาขณะที่มุ่งผลออาไปพุ่งไ่นคนนั้นก็จะทำให้เกิดผลแก่คนนั้นนะฮะหรือเกิดพฤติกรรมที่สปนเหตุนำมาสู่ผลที่เรามุ่งที่จะให้ถึงมุ่งที่จะให้เป็นมันก็จะเป็นเมตตาที่เข้าจุด นี่ว่าเป็นก่อนทีนี้ถ้าในคนคนหนึ่งเราเพ่งจุดที่มันเป็นจุดที่เราเมื่งหวังจะให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะเมื่อหวังทำไอ้ตรงจุดนั้นที่มันกลายเป็นเกดประกอบนําไปสู่ผลอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็เอ้วิธีการแต่เนตาไปตามไอ้กระบวนการนั้นนะแล้วก็ทําให้ ไปจุดมุ่งหมาเนี่ยมันเข้าจุดแน่ชัดมากยิขึ้นก็ดีกว่าที่ที่เราไปแผ่แบบรวมๆแพ่แบบรวมๆเนี่ยมันก็ไอกระแสมันไม่รวมจำกัดทีนี้ที่ที่ผ ม, มว่ามาทั้งหมดเนี่ย mm. ก็คือจะนํามาสู่จุดที่จะให้ทําความใจและให้ฝึกตรงนี้ว่า mm. ถ้าเราเองเนี่ย น, นะะหน้าของเรา คลิกของเราคำพูดของเราหรือเสียงของเราหรือแม้แต่ไอ้สิ่งที่เราทำออกไปเป็นงานจะเป็นตัวหนังสือเป็นข้อเขียนเป็นผลิผลอะไรัก อ, อ, อย่างที่ทำออกไปเนี่ยถ้าเราต้องการจะหนึ่งสัง ก, กัดหรือลบล้างือ้จิตทัศนคติในทางลบที่มันาจจะเกิดขึ้นกับคนของคน ให้อไรปหรือเพิ่มลักษณะคติในทางบกุกให้มันเพิ่มขึ้นกับคนบางคนที่อาจจะบวกอยู่แล้วเนี่ยให้มันดีขึ้นหรือในคนที่เป็นกลางๆที่เราอาจจะไม่รู้ประดานนะะให้มันมันเป็นไปในลักษณะที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเราก็มีวิธีมีวิธีจะเอาโดยอย่างง่ายๆเนี่ยบอกว่า เราจะทําเทธขึ้นมาสักอย่างอาจจะเป็นเทธขอะไรก็ได้แล้วก็จะจะทําให้มันมีผลมีพลังเน น, ะมนะมันก็มีดีคือการเราเรียนภาษาให้ใจง่ายเรียกว่าปลุกเสกแต่เรียกอย่างภาษาให้มันฟังเป็นธรรมะบริสุทธิ์เลยเนี่ยก็คือว่าแผ่เมตตาเหมือนอย่างเจ้าคุณนอเวลาท่านปลุกเสกเนี่ยท่านจะไม่ใช้คําว่าปลุกเสก มันฟังเป็นเรื่องสำคัญท่านจะเรื่องไม่ใช่คำว่าแผลเมตตาซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มียมใช้คำนี้แผ่เมตตาเวลาท่านจะปลุกเสกลระเนี่ยนะแตนที่จะเรียกปลุกเสกท่านก็บอกว่าแผลเมตต า, าลงไปในพระเครื่องนั้นก็ฟังดูเป็นธรรมะเบิ้ลเกิดขึ้นแล้วนะทีนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าเราเราแผ่เมตตาลงไปนั้นใะนอธิษฐานจิตหรือปลุกเสกลงไปว่าขอให้สิ่งเหล่านี้ มันเ็นอย่างนั้มันนี้นะโดยโดยธรรมะเนี่ยมันก็จะทำให้สิ่งนั้นมีพลังสูงขึ้นตรงนี้คือหลักของการที่จะทำให้เกิดความรักต่อกัน เ, นเราโดยธรรมะเนี่ยเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปเจ็บบอกคุณต้องแผไม่ตาให้ผมใช่ไหนี้ไปบังคั บ, ก, บก็ยิ่งนั่งแก่บัรการเป็ความโลภด้วย ตัวนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยมุ่งที่จะไปรับเมื้อตาเลยถึงบ่กคุณต้องแฝงเนื้อตผมคุณต้องรักผมคุณต้องปลูกจะตาผมเพื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะใครที่จะมานั่งทำใช่ไหมตอนะะะนั้นวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือทําตัวเราเองให้น่ารักทําอวัยวะของเราตรงนั้นตรงนี้ให้มันน่ารักเออทำไอ้ผลิตผลชิ้นงานของเราเนี่ยให้มันมีความน่ารัก ไอ้อาการทํานี้มันน่ารักด้วยอวิธีการทางกายภาพเนะี่ยเรายกไว้ไม่ต้องพูดถึงเราก็ทํามันอยู่แล้วและแม้แต่ไอ้คนที่มันมุ่งจะเอาละเอาเปลี่ยนหรคนที่มาตื้อปิดพัน์ของมันหรือมาหลงรักหลงชอบหลงชมมันก็ทำํำดนวิธีอย่างนี้อยู่แหละแต่มันต่างกับไอ้คนที่บริสุทธิ์ต ร, ตรงไหนก็ต่างกันที่คนที่มีใจบริสุทธิ์ด้วยธรรมะเนี่ยเขาอาจจะทําอย่างนั้น แต่ว่าเขาเขาใส่บางสิ่บางอย่างลงไปเขาแค่ว่าถ้าเราเราใช้หลักอย่างเมตตาธรรมดาเนี่ยคือแค่มีความจริงใจเนี่ยนะแค่มีความจริงใจเท่านั้นคนนั้นไม่ไม่เคยทำสมาธิไม่เคยแผ่เมตตาไม่รู้ว่าแผ่ว่ายัางไงเนี่ยมันก็ยังมีพลังไปเยอะจริงจรงิมีพลังทั้งเยอะไม่ว่าจะเขียนไรืว่าความ ม, มาเลยมาทั้งนิดหนึ่ง เราอ่าน al แล้วเราสัมผัสความจริงใ่ได้หรือเขาทักทายอย่างดีดีเนี่ยไอ้บางคนเนี่ยทักทายอย่างดีดีแต่เรารู้สึกว่าเราไม่สะดวกใจที่จะรับไว้ตอบรับความปรารถนาดีหรือคำเชิญชวนของของเขานะฮะพอหรือแม้ว่าเอาบวันเกิดของเราเนี่ยใครก็อาจจะมีของของขวัญมาเนี่ยกลายอย่างแต่ว่าบางทีมันก็รู้สึกมันไม่มีคุณค่า สู้บางคนนี่อาจจะดอกไม้ดอกเดียวหรือว่าอะไรเล็กๆน้อยมีรุวงเรืามากกว่า ก, ก็ได้นะมันจะอยู่ที่ไอกระแสะของความจริงใจหรือแม้แต่คนยิ้มเนี่ยยกไปอย่างเราก็พูดกันมานานบางคนนี่ยิ้มมีวววของความจริงใจนี่สูงมากเวลายิ้มนะเวลาขอบคุณเวลา การแก้แคนเนี่ยน ะ, ะที่พูดคำเล็กคาน้อยออกมาเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่ดีกับกับเราที่ไปเกี่ยวข้องกับเขาหรที่ไปรับที่ไปได้ยินได้ฟังได้พบได้เห็นเขาเขาเนี่ยมาแต่ว่าบางคนเนี่ยเรามีความรู้สึกปฏิเสธอย่างเห็นได้ชัดเลยว่าสิ่งนี้อย่าไปแตะของเขาให้อย่าไปเาอาจ้ะอะไรแค่นะเพราะว่ามันขาดความจริงใจเราอาจจะใช้ได้กับคนโง่ คือใช้ได้รับความสำเร็จบางคนโง่บางคนหรืออาจจะใช้ได้รับความสาเร็จในการบางคราวช่วงระยะเวลาหนึ่งลหลังจากนั้นก็ไม่เกิดความาเมตตาอะไรขึ้นมาเลยตรงนี้เราก็เราก็พบเห็นกันจริงๆในสังคมทุกวันนี้หรือเมื่อไรก็มีเหมือนกันทั้งนั้นนะเอเรานึกถึงหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณ น, นะ ลาท่านพูดอะไรอะไรถึงจะหนักอึดอ้วกหน่อยแต่เราครู้สึกว่าน่ารักเป็นหมดนี้นะสำหรับคนโดยรวมไปก็ทุกคนอาจจะไม่ได้ถึงใจ น, นิยมท่านหมดผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าคนนี้ก็จะพูดถึงท่านว่าเป็นคนมีความจริงใจนะพูดอะไรอะไรมาแล้วฟังแล้วมีน้ําหนักเลยถึงมาพูดคู่กับพระนักเทศในบางทีก็รู้สึกกับพระท่านพูดไม่ได้ครองแต่ว่าเวลาท่านพูดละ่ะเขาว่าท่านพูดมีน้ําหนักให้ความรู้สึกทีดูว่ากันเยอะเลยนี่ก็ว่า ผมไม่ได้ฟังฟังแต่ไอ้นี่เขาถ่ายตัวอย่างนี้นะเขยกตัวอย่างอย่างนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นเมตตาแบบออกมาในโลกของความจริงใจความปรักธรรมดาแี่ถ้าหากว่าเราเองเนี่ย เ, เรียกร้องความจริงใจจากบุคคลอื่นด้วยการสัมแปงความจริงใจของเราออกสัมแปงเมตตาของเราออกโดย โดยธรรมดาหรือโดยอาศัยกําลังสมาธิอาศัยกําลังเมตตาสมาธิอาศัยวิธีการประมุกเข้าไปมันก็จะทําให้ให้ดีขึ้นจะดีขึ้นจากเด่นของกายแก่ไหนนั้นก็เป็นไปตามพื้นฐานแต่ละคนทีนี้เราก็มาคิดเนี่ยมาเริ่มคิด เ, เ, เวลาเราเห็นหน้าคนเนี่ยบางคนเราก็รู้สึกว่าไม่สิดดูแตา พูดแทนกันนะนะฮะไม่ใช่ถูกชะตาไอ้คาว่าไม่สุขชะตาเนี่ยบางทีก็ไม่ได้หมายความว่าเรามันใต้เขาหรอกแต่มันรู้สึกว่าไม่ใช่ใจเรามันไม่รับมันไม่รับไอ้ไอ้คุณค่าที่เขาแสดงออกนะหรือคุณค่าทางใบหน้าที่เราเห็นเนี่ยนะฮะแต่บางคนเราก็รู้สึกว่าถูกชะตาแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ย เรายกเล่นเรื่องอำนาจของวิบากกรรมมันมาบางตาเอาไว้เป็นส่วนหนึ่งคือบางคนก็ไปถูกชะตาคนผิดก็มีหรือคนที่จิตใจไม่เป็นกลาง อ, อหรือมีอำนาจของความปกติเป็นเจ้าเรือนอยู่ในทางรักหรือเรื่องทางจางังในเวลาไปเห็นเรื่อก็ถูกชะตาผิดจะผิดชะตาผิดเลยจะไม่ถูกชะตาผิดแค่ด้วยนะะ อ, อไอคนที่น่าจะถ<ม>ูกน่าจะถูกชะตาไม่ถูก ไอ้ผู้ไอ้คนที่ไม่ควรจะถูกเยตาก็เลยได้รับความตัวความเด็ดตอนอาบางคนก็กลับตลับปัดมาเป็นในรูปอย่างนี้อันั้นมันเรื่องของของเออผลในทางการรมแต่ว่ามันก็อยู่ได้ในนันนะฮะไอ้ตรงเนี้ยมันจะต้องถึงจุดหนึ่งที่ไอ้ความจริงมันจะต้องแบงออกมาว่ามันควรจะเป็นอย่างไรถ้าเราจะทําแบบเมตตาเนี่ยนะ แผลเมตตาให้กับตัวเองแผลเมตตาให้กับคนอื่นในลักษณะเดียวกันนี้คือเราคือถ้าจะพูดให้มันเป็นภาษาคลางเนี่ยเราเลือกเตกหน้าตัวเองได้เมตตาเตกปากตัวเองได้เมตตาผมขอเรียนแบบคําทางกลางแต่ในทางสาระเนี่ยมันหมายถึงความบริสุทธิ์ในทธรรมะแล้วเราก็ แผ่เมตตาใส่หูคนอื่นที่เราจะไปพูดจาไปกบลงอะไรกับเขาเตะแผ่เมตตาใส่ตาของคนอื่ น, นก็จะเห็นหน้าเราแล้วก็พร้อมกันนั้นก็เตะเมตตาใส่หน้าเขาเตะเมตตาที่ตาเราเมื่อเราจะเห็นเขาเตกเมตตาใส่หูเราให้มันเท่าเท่ากัน ที่เรามื่อชอบคนเนี่ยเราเห็นว่าดีไหมเอาเอย่างนี้ดีกว่าเราอยากจะรักคนหรืออยากจะเกลียดคนนี่คำถามเราเราก็ตอบมันี้หมดว่าเราไม่อยากเปลี่ยดคนเราอยากจะมีเมตตาต่อคนทุกคนไม่ได่ไราอยากจะเกลียดถ้าเป็นทาคนที่ใกล้ธรรมะเนี่ย รีวิวมันมัดเลอะ น, นาดของเหตุผลธรรมะเนี่ยนะครับเราอยากจะรักคนทุกคนก็อะไรสาเหตุของงานด้วยให้เราไปเกลียดใครเนี่ยมันเป็นทุกข์ถุกไหมมันเป็นทุกข์แล้วนอกจากเป็นทุกข์แล้วเมือ่อพอเราเริ่มรู้สึกเกลียดแตภาวะจิตของเราเนี่ยมันเป็นผลทําให้คนอื่นเขาเกลียดเราไม่วันนี้ก็บวันนี้ซึงถึงจะปกปิด เลนยังไงก็ตามเดี๋ยวมันก็ต้องหลุดออกมาในทางคําพูดหรือทางพฤติกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าหัวใจมันเกลียดเนี่ยนะนั่นมะันก็ดีนี่พูดถึงอย่างที่พอมองเห็นต้นๆเนี่ยแต่ว่าถ้าในเมื่อของคนที่เชื่อเรื่องอํานาจนีรันดรหรืออํานาจจิตแล้วเนี่ยไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันทำให้คนอื่นเขาเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีกับเราแน่แนยิ่งในระยะยาว เกิดแน่แนแล้วถ้าคนอทําสมาธิแล้วกับเวลาประเมินค่าอันเนี้เราจะรู้เลยรู้ในในใจว่าจะวอกเราเลยว่าถ้าเราเกิียดใครเนี่ยนะฮะหรือคิดร้ายกับใครเนี่ยเราจะโกรธมากโกรธมากไม่แปลว่าไม่ไม่ได้แปลว่าเปลียใครไม่ได้นะมันหรืออดใจด้วยเปลี่ยนใครไปได้ไปได้ไม่เกลียดใครไปได้หมด รู้เลยว่ามันอะไรอะไรเนี่ยมันออกมาจากจิตของเราเราหลอกคนอื่นไม่ได้หรอกวันวันหนึ่งเนี่ยมันต้องออกมาและถ้ายิ่งเราอยู่ในสมาธิเนี่ยมันยิ่งแรงแรงเป็นหลายเท่าตัวของไอความคิดเมื่อไม่ได้อยู่ในสมาธิคือว่าเมื่อเรามีสมาธิดีอยู่ในกรรมฐานแผ่เนี่นตาแล้วเกิดพลังแรงกันไห เวลาคิดถึงคนด้วยความเปลี่ยนมีพลังแรงอย่างนั้นจริงๆผมยืนยันได้กับตัวเองว่าได้เคยประสบภาวะการทั้งสองอย่างนี้มาแล้วมันเกิดจริงๆและบางทีเนี่ยมันมีกระแสร้รอนค้อนกลับมาเลยนะแต่ถ้าเราอยู่ข้างนอกในเปลือยนใจไม่เคยมีพลังมานะกว่าเขาจะรู้สึกนานหน่อยเพราะว่าไอ้ที่อยู่ข้างนอกในจิตมันตกจิตมันอ่อน ไม่เหมือนตอนดูในสมาธิเพราะฉะนั้นคนที่แคร์สมาธิอย่างเนี้จริงต้องมีความรับผิดชอบใ oh. น, นพปติกรรมของจิตหรือความรู้สึกสาาทัศนคติิของตัวเองเนี่ยสูงมากสูงมากเพราะว่าอาคิดแล้วมันเป็นไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นกรรมกับตัวเองเยอะ oh. แล้วก็มีผลตอบกลับในทางทางก็เยอะเช่นเดียวกัน ในทางบุมันก็เยอะอะมันก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เจ้าตัวนี่จะรู้สึกได้อย่างนี้อันนี้ก็ธรรมดานะครับคนที่มีศักยภาพน้อยเนี่ยทํำบาปทาความผิดมันก็ไม่ไม่ไม่เสียหายมากถ้าคนมีศักยภาพมากทําความผิดมันก็มีความเสียหายมากเป็นไปตามเงาตางตัวธรรมดา เจะให้ท่านลองกดตรงนี้ดูนะวันนั้นในภาคปฏิบัติเนี่ยท่านก็ต้องนั่งสมาธิจะเป็นสมาธิแค่ไหนก็แล้วแต่กุญล้านก็ขึันจะไม่ว่าท่านจะทำสมาธิได้มากหรือได้น้อยเนี่ยสิ่งที่ท่านจะได้ก็คือได้ความรู้หรือความเข้าใจว่าการแผ่เมตตา ในลักษณะที่เฉกาะตรงนี้ทําอย่างไรและในวันข้างหน้าถ้าหากว่าท่านมีโอกาส <c oughs> ไปจุดสมาธิไปแก่เมตตาหรือเกิดปัญหาเกิดความต้องการในลักษณะอย่างนี้ขึ้นท่านก็จะได้นําเอาไปใช้บําบัดบัดเป่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของท่านขอให้ทุกท่านนะครับที่ประสงค์จะ ว่าเป็นการเติมพัฒนกติที่ดีให้เกิดขึ้นในผู้อื่นและจากผู้อื่นขอให้ท่านนั่งในท่าที่ท่านสบายและขรับตาขอให้นั่งให้สบายและหลับตาและให้สํเนเียร์มึนทำใจทำความดื้ขึ้น ไมกา ติที่เป็นอกุศลให้กลายเป็นกุศลเกิดขึ้นในผู้อื่นขอให้สลีละของท่านทั้งหมดขอให้สลีละของพระเจ้าทั้งหมด กุศลและจิตของผู้อื่นทุกเมื่อคือเป็นเหตุให้เกิดกุศลและจิตได้แก่จิตที่เป็นบุญจิตที่เป็นสุขสงบด้วยประการต่างๆเกิดขึ้นแก่ผู้อื่นเมื่อผู้อื่นเห็นพระพเจ้าอยู่ด้วยตา กุศลกิจเกิดอาคุศลกิจใดๆอย่ยาเกิดขอรการเหงนข้าพเจ้าเลยและขอให้ข้าพเจ้า อยู่ด้วยตาของตนก็จึงเกิดกุศลกิจ ูต่อเขาขอให้การสำแดงตัวของข้าพเจ้าที่สำแดงของ พฤิกรรมของกัพปะเจ้าจงสำเร็จด้วยอาการของกุศลจิตต ร, รูรจงสำเร็จด้วยเมตตากุศลจิตตรโรมีความคิดเกื้อกูลผู้อื่นในพฤติกรรมเหล่านั้น โดยตรงและโดยอ้อมขอให้กระแสอำนาจพลังแห่งเมตตาและกุศลกิจนั้นจงฝังลึกที่อยู่ในบุคลิกทั้งหมดอยู่ในพฤติกรรมทั้งหมด ของข้าพเจา้าและขอให้เป็นผลต่อทัศนกติที่เป็นกุศลแก่บุคคลอื่นที่พบเห็นหรือได้ยินเสียงที่ออกจากกายนี้ ว่าจะเป็นเสียงเดินเสียงพูดเสียงขยับขยืน่นอื่นใดทั้งหมดจงเป็นอารมมะปัปใจให้ผู้อื่นเกิดกุศลและิตเถิด เได้กลิ่นด้วยจมูกของผู้อื่นขอให้บุคคลอื่นจงเกิดกุศลกิจ ไปสุดจงเกิดและขอให้เสียงที่ถูกเปล่งของดากส ล, ลีลานีกลิ่นที่ขับเคลื่อนออก จิบจะรูปเสมอเถ เงียบเกียบดน ความลำคา รู้สึกฝ่ายต่ำที่เกิดขึ้นกับใครก็ตามจงสูญหายไปจากจิตสำนึกของกับพเจาและขอให้เกิดจิตสำนึกที่บริสุทธิ์ดีงามต่อบุคคลเหล่านั้นขึ้นแทนที่ ที่สิ่งสุดต่อไปสำหรับบุคคลบางคนที่ข้าพเจา้าเมื่อได้พบได้เห็นได้นึกคิด เมื่อได้พบเห็นนึกคิดถึงเขาเหล่านั้นขอให้ดวงจิตของเขา รงบังเกิดกับเขาเหล่านั้นที่เป็นอารมณ์แก่ขพระเจ้าอยู่ส่วนบุคคลใดซึ่งเป็นที่รักที่ชอบใจของขพระเจ้าที่ขพระเจ้า มีทัศนคติที่ดีอยู่เมื่อนึกถึงเมื่อเห็นหรือเมื่อได้ยินหรือเมื่อได้สัมผัสถูกต้องข้องเกี่ยวเ้ืยอประการใดๆขอให้สำนึกในทางเมตตาการนุนยงเกิดแก่เขายิ่งยิ่งขึ้น มิตรภาพของข้าพเจ้าจงเกิดกับเขาเหล่านั้นบริรสุทธิ์สะอาดชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างยืดเยื้อยาวนานขอให้ข้าพเจ้าได้อนุขขเคราะห์เครือกูลต่อเขาเหล่านั้น ไม่ว่าโดวยวิธีการใด ก็ดีพบเห็นกับพระเจ้าก็ดีดได้ยินเสียงกับพระเจ้าก็ดีได้สัมผัสถูกต้องกับพระเจ้าก็ดีไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดย อ, อ้อม อันเป็นกุศลต่อข้าพเจ้าจงเกิดความปรารถนาดีต่อข้าพเจ้าและขอให้ความปรารถนาดีนั้นตรงดำรงมั่นยั่งยืน และกุศลจิตที่เกิดขึ้นต่อข้าพเจ้าของท่านจงเป็นประโยชน์เกื้อกูลมีผลมีานิสงมากต่อท่านขอให้ท่านจงได้ความสุขจากกุศลนี้ ได้ความบริสุทธิ์ดีงามจากกุศลนี้ได้ความสว่างไสวในดวงจิตจากกุศลนี้ขอให้อัตภาพของข้าพเจ้าจงเป็นประโยชน์เกื้อกูลโดยความเป็นอารมณะปัจจัย การรับรู้ของท่านเช่นนี้เธอและเมื่อผู้คนที่เป็นกลางที่ได้เห็นได้ยิน ได้ยินที่เได้มัถึเองหรือมีผู้อื่น รักหรือมีทัศนคติไม่ดีต่อขป้าวหรือที่ขปดามีทัศนคติไม่ดีต่อเขาทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายนขอให้ความรู้สึกฝ่ายต่าจงพ้นไปจากสำนึกของขปดา ข้าพเจ้าพบกเขาหรือนึกถึงเขาก็ตามและขอให้ภัศนคติที่เป็นบาปอกุศลของผู้อื่นที่เกิดเพราะข้าพเจา้าเมื่อเห็นข้าพเจา้าหรือได้ยินเสียง ได้นึกถึงขอให้ทัศนคติอันเลวลายนั้นจงค้นไปจากจิตใจของท่านขอให้ทัศนคติที่เป็นกุศลจงเกิดขึ้นแก่พระพเจ้าในพระท่านหรือเกิดขึ้นแก่ท่านในพระพระพ จงเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ขาพเจ้าและแก่ท่านในทุกๆประการ ละของข้าพเจ้านี้จงมีเมตตาเป็นสมุดฐานเป็นตัวกาหนดพุทธกรจและจงยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นยังความเครือกูลให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า มีความรู้สึกมึอคิดที่ดีต่อเขาอยู่แล้วก็ตามหรือคนที่เรามีทัศนคติที่ไม่ดีต่อเขาหรือฝ่ายเขามีทัศนคติไม่ดีต่อเราก็ตามหรือคนที่เป็นคนกลา ง, ลางแต่อยู่ในฐานะที่อยากเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรา หรือเราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาด้วยกรณีเหตุ ใ, ใดๆขอให้แผ่ความคิดหุ่งตรงเจาะจงไปที่บุคคลนั้นสร้างภาพคืนนึกถึง ประาของบุคคลนั้นนึกถึงเสียงของบุคคลนั้นและนึกถึงเสียงของตัวเองคําพูดของตัวเองเพื่อหนึ่งว่าเราได้พูดกับเขาด้วยความปรารถนาอันดีคือพูด นองปรับความเข้าใจหรือพูดขอบคุณหรือพูดแสดงความห่วงใยรักใคร่แล้วแต่บุคคลที่เราปลาลบถึงและมีคำพูดมีเนื้อความที่จะพูดกับเขาอย่างไรขอให้ลึกขึ้นในใจอย่างนั้น อยู่บนพื้นฐานของความปรารถนาดีที่เอื่อกล่อกัลลกนถ้าเราจะไปพูดไปเจรจา ไม่ว่าจะเจรจาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของเราหรือเจรจาเพื่อขอความอนุเคราะห์หรือเจรจาเพื่อไปอบรมสั่งสอนที่แจงบอกกล่าวในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตาม บอกเขาด้วยความปรารถนาดีอันบริสุทธิ์ด้วยเหตุผลที่สัตบุรุษรับฟังได้ทำความรู้สึกนึกถึงผู้นั้นว่าเขากำลังเงี่ยโสดัก เลยกำลังฟังอยู่ด้วยความเต็มใจน้อมรับคำตักเตือนก็ดีหรือสัมเดงอาการที่จะคิดเกือกูลต่อเราก็ดีให้ทรง ค, คิดกันความรู้สึกในทางต่ำ เช็นความรื้อลันหรือความหุนหันกันแล่นหรืออาการกระด้างกระเดื่องให้หายไปให้กลับกลายเป็นพฤติกรรมตรงกันข้าม หรือตามธรรมดาที่เราจะต้องไปพบหรือในโอกาสที่อาจจะต้องพบกันไม่ว่าจะส่วนตัวหรือที่ประชุมขอให้ดวงหน้าของเขาจงถึงพร้อมด้วยอาการของกัลยาณชนหรือกัลยาณมิตร คือผู้เงียโสนระดับฟังด้วยความพอรพและขอให้เขาได้ความรู้สึกที่ดีจะเป็นความรู้สึกที่ดีอย่างไรอย่างไรที่เราปรารถนาและเห็นเป็นประโยชน์แก่เขา เราได้ำกำลังได้ความรู้สึกที่ดีนั้นเราจะไปพูดกับเขาด้วยเนื้อหาด้ยจุดมุ่งหมายอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยดีขอให้มันสมองของเขาตรงทำงานอย่างคล่องตัวอย่างกระฉับ ให้ดวงความคิดของเขาตรงปลอดโปร่งไสกะจงมองเห็นประโยชน์เกื้อกูลอันนั้นนะอย่างลึกซึ้งได้ทัศน ก, กติที่ดีต่อกันอย่างกระจา่างชัดและด้วยภูมิปัญญา ตองสัตว์บขอให้เขามีดวงตาที่เป็นประกายจันไ เขาปรึงปฏิเสธขอขอให้เอาปฏิเสธอย่งสัตย์บรุษด้วยเหตุผลด้วยสำนึกที่ดีเห็นนั้นที้หนึ่ง ที่เราจะไปพูดด้วยและเป็นประโยชน์เพื่อกูลต่อเราผู้พู ด, พดขอให้ไอยคำการพูดนั้นจงออกมาจาก มา มาด แ, แกแพ้พิกแปรงไปไปมามาอนุโลมปฏิโลมสอดใส่สำนึกของเมตตาลงไปได้เป็นอันมากและด้วยเวลานานๆคนที่เป็นครูบาอาจารย์ก็ดี สอนโดยเมตตา อ, อย่างแค้นที่กระทาด้วยสมาธิก็ทำได้โดยในนี้พ่อแม่ที่จะสอนลูกหรือการเจรจาประสานผลประโยชน์อย่างถาวรที่ท่านจะได้ทั้งผลประโยชน์ และได้ทั้งเพื่อนและท่านจะได้ทั้งการอนุเคราะห์ผู้อื่นด้วยก็จากการกระทำอย่างนี้ทำให้ได้อย่างนี้ขอให้ท่านแผ่เมตตาที่หูของ เพื่อเวลาท่านฟังคนอื่นพูดเพื่อให้ท่านฟังด้วยอกาการของผู้ที่มีเมตตาควบคุมการฟังควบคุมทิศที่ฟังทำให้การฟังของท่านนั้นเป็นประโยชน์ต่อท่านและ โยน์ต่อผู้ที่พูดกับท่านที่ว่าผู้ที่ฟังโดยอาการของบัณฑิตหรือผู้ที่รู้จักฟังรู้จักนิ่งฝังเป็นความน่ารักอย่างห น, นึเป็นสเสน่ห์อย่างหนั้นเพียงแค่อาการเท่านั้น เมื่อผู้ฟังแผ่เมตตาให้ก็จะทำให้การพูดของผู้นั้นได้รับประโยชน์เกื้อกูลหรือได้รับการควบคุมด้วยความปรารถนาดีไม่ให้เครื่องพั้ไปในทางโทษแก่ผู้พูดหรือแก่คนอื่นหรือแก่เรา คณาติที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นเมื่อเขาเห็นเรามองหน้าเราหรือสบตาเราหรือเราสบตาเขาหรือสบตากันเนี่ยให้แผ่เมตตาร <c oughs> ับลงไปบนใบหน้าของท่าน จะเรียกว่าเป็นการลงนะเมตตาแบบบริสุทธิ์ด้วยธรรมะในแง่ของการเปรียบเทียบก็ ค, คงจะได้ถือว่าเป็นการควบคุมการแสดงออกทางใบหน้าของเราหรือเสริมสร้างพัศนคติ ที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่เห็นหน้าของเราบางคนนั้นอาจจะมีผิวพันุ์มีหน้าตาที่สวยงามแต่ไม่มีสเสน่ห์ไม่ชวนให้รักไม่ชวนให้เกิดทัศนคติที่ดี คนนั้นใบหน้าอาจจะไม่สวยงามไม่ละเอียดราบรียดแต่ว่ามีลักษณะในทางสเสน่ห์หรือทัศนคติที่ดีนั้นสูงมากถ้าเป็นทัศนคติหรือสเสน่ห์ในทางโลกนั้นไม่เป็นสาระ ือเป็นสาระน้อยถ้าเราเมื่อจะไปพบกับใครหรือจะออกจากบ้านหากได้นั่งสมาธิและแผ่เมตตาตั้งจิตไว้ที่ใบหน้าของตัวเอง ทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังรับผิดชอบตัวเองที่จะไม่ทำให้ผูอื่นเกิดความเดื อ, อดร้อนใจหรือเกิดอัุวสังหจใดๆขึ้นเพียงเพราะการแค่เห็นหน้าของเราเท่านั้นกล่าวคือ ได้เห็นหน้าของเราเขาเกิดความสุขสงบหรือเกิดกุศลกิจก็ได้ชื่อว่าเป็นการเกื้อกูลต่อผู้อื่นอย่างน่าสะละเสินแล้วถ้าหากว่าตัวหน้าของเราที่ใครเห็นแล้ว เราเห็นรูปของเราแล้วเห็นหน้าของเราแล้วซึ่งเป็นจุดเห็นที่สำคัญแล้วเกิดความรู้สึกอึดหัดเกิดความรู้สึกเศร้าโศกโสมนัสเสียใจหรือเกิดความรู้สึกคับแค้นใจหรือเกิดความรู้สึกที่เป็นอกุศลใดๆที่อาศัยหน้าของเราเป็นสมุตฐานก็นับว่า ใบหน้าของเรานั้นมีส่วนทําลายไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อผู้อื่นตั้งแต่เบื้องต้นทีเดียวเราอาจจะมีความสนใจแต่ในส่วนของการตกใจด้วยหมายใจ จะให้เป็นที่ชื่นชมของตัวเองด้วยอำนาจของความยึดถือด้วยอำนาจของความโมเมาและเพื่อให้ผู้อืนอ่นเกิดความรู้สึกกำลังดีด้วยคิตที่ไม่บริสุทธิ์ของใส่น้นะเป็นข้อที่ เรารู้จักใครใจกันอยู่ในข้อนั้นเป็นประโยชน์น้อย เกิดความเศร้าหมองเกิดความรู้สึกเดือดร้อนใจโดยความรู้สึกใดๆที่มันเกิดจากความไม่รับผิดชอบของตัวเราเองเมื่อเราแผ่เมตตา ไปถึงผู้อื่นก็มีผลสะท้อนของการแผ่เมตตาไปยังผู้อื่นนั่นเองเหมือนบุคคลที่เมื่อเดินไปในที่ใดรู้จักระวังมือระวังเทาาก็คือคนที่ระวังผู้อื่น คือคนที่เอาใจใส่ัวเอืนก็คือคนที่รั บ, บผิดชอบัูเอื่นซึ่งจะเป็นสิ่งที่มีผลตอบกลับในทางที่ดีอย่างแน่นอนขอให้สงจิตแผ่เมตตาและอธิษฐานว่า สิ่งใดที่เป็นริ้วรอยของความชั่วร้ายสิ่งที่เป็นร่องรอยของความลึกฝ่ายต่ำที่เราอาจจะสาสมจนฝังลึกลงไปในผิวหน้าของเราในพฤติกรรมที่แสดงออกทางนี้ของเราโดยไม่รู้ตัว ถึงขนาดเราวางหน้าอยู่เฉยๆก็ทำให้คนเกิดความรู้สึกว่าเรากำลังทำหน้ายักหน้ามานใส่เขาถึงเรากำลังยิ้มอยู่อย่างปปติ คนที่มาเห็นนั้นก็มีความรู้สึกไม่ต้องจะตาหรือไม่สบายใจใบหน้าของเราที่เราส่องกระจกหรือเราใช้กับประกอบการ แสดงออกด้วยความรู้สึกอันใดเป็นหลักยังต่อเนื่องยาวนานมันจะฝังเป็นร่องรอยจนมีผลต่อทัศนคติและความรู้สึกของคนผู้พบเห็นได้ สิ่งเหล่านี้ไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้ให้มันสนลายหายไปหายไปจากดวงหน้าจากแววตาของเราคงคิดปฏิเสธ ไม่เป็นศิริให้พ้นไปจากดวงหน้าของเราสิ่งใดที่เมื่อบุคคลเห็นหน้าของเราแล้วเขาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดความเศร้าหมองขอให้สิ่งนั้น ศูนย์สลายหายไปจงศูนย์สลายหายไปให้ทำอาการเหมือนว่าคนที่กำลังจะแต่งหน้าจะต้องทำความสาใบหน้าให้หมดจดก่อน การกระทำอย่างนี้เราจะกระทำเมื่ออยู่ในสมาธิอย่างเป็นทางการหรือจะทำในขณะที่เราล้างหน้าหรือในขณะที่แต่งหน้าก่อนจะออกจากบา้านหรือแม้ไม่ได้ไปพบใครกร็ตาม จะเป็นการเสริมศิทิอันนับเนื่องโดยบุญธรรมนี้ให้เกิดขึ้นและความปรารถนาดีอย่างนี้เมื่อทาบ่อยๆก็จะลบล้างรอยบาปแห่องอุปนิสัยที่สั่งสมไว้และสิ่งแฝงอยู่ในหน้าของเราได้ คนนั้นเป็นคนมีลักษณะหน้าผอดสีอยู่เป็นนิดบางคนทั้งใบหน้าและแววตาอมเจ้าบางคนอมทุกขบางคนเป็นแววตาและดวงหน้าที่ชวนมันใส ก็ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่เชื่อมัน่นไม่เชื่อถือคือเป็นคนที่มีดวงหน้าที่แสดงถึงความไม่มั่นใจในตัวเองบางคนก็มีลักษณะดวงหน้าที่สับสนชวนให้เกิดความรังหานแก่ผู้อื่น อาจจะเป็นลักษณะอย่างอื่นอื่นอีกหลายอย่างบางคนก็อาจจะมีดวงหน้าที่ก่อให้เกิดความกำหนัดอย่างไม่เป็นธรรมแต่ผู้พบเห็นซึ่งก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยก่อให้เกิดพฤติกรรมในทาง เลวหลายได้บางคนก็ให้เกิดความรู้สึกที่อึดนะัดซึ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดกุเกิดอากุรลกิดขึ้นในรูปใดรูปหนึ่งสำหรับคนที่ข้างฝ่ายเขา ตาติดไม่ดีขอหรือมีกุัละิตไม่แข็งแกรง่งคอก็จะเกิดความรู้สึกตอบรับอย่างนี้ถ้าหากว่ารู้ว่าตตากรรมและสะตาจีเลตที่ปรากฏบนใบหน้าของเราเป็นอย่างไรก็ให้แผ้เมตตาสลายไป ทำบ่อยๆและเมื่อเราจะไปพบคนที่เป็นคนโทสะเดิกหรือเป็นคนที่ลังคารเราก็จะต้องแพ่ผิดในลักษณะสะลายสิ่งที่อาจจะเป็นเชื้อ ไปกระตุ้นจริตนิสัยในด้านนั้นของผู้ที่เราจะไปพบปะให้เกิดขึ้นซึ่งบางทีคนนั้นอาจจะเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวของเราเองซึ่งเขาจะต้องเห็นเราบ่อยพบเราบ่อย นั้นให้แผ่เมตตาทำความปรารถนาที่ต้องการให้ผู้อื่นเขาเกิดความรู้สึกที่ดีใส่ลงไปขอให้มึกเชื่อมั่นอยู่เสมอว่าการกระทำอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องคลังเรื่องเวทมนต์คาถาเพื่อเอาลักเอาเปรียบผู้อื่น นุเคราะห์ผู้อื่นอย่างละเอียดละออเพียงแค่การรับรู้ของผู้อื่นในเราเราก็ยังมีความรับผิดชอบต่อความรู้สึกแลกคิดเมื่อเขารับรู้เรารือได้เราเป็นอารมณ์ ที่เรารู้ชัดว่าเป็นผู้ที่เราจะไปพบด้วยและต้องการความเชื่อถือในสิ่งที่เราเองก็รู้อยู่ว่า ที่มีความที่มีความทุกความกังวลที่ระแวงบุคคลก็ขอให้อธิษฐานจิตอย่างนี้ลงไปในดวงหน้าของเราแล้วก็โยงไปถึงความรู้สึกนึกคิดดวงตาของเขาทัศนคติอารมณ์ของเขาเราก็แฝใไปควบคุมไปสลายความรู้สึกอย่างนั้นไม่เห็น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 รู้สึกที่จะพึงเกิดขึ้นแก่ผู้พบปะเราตรงไปหลายๆอย่างทั้งที่เป็นความรู้สึกโดยตรงภัศนคติโดยตรงหรือโดยอ้อมตัวหลักตัวรองเช่นความรู้สึกอบอุ่นสำหรับบางคนที่ต้องการความอบอุ่นหรือความรู้สึก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 สนน่นทนาเราเห็นหน้าเราที่้ายแววของความฉลาดความอาวางกระจากก็สามารถที่จะทำให้มีผลเป็นตบะในทางเรื่อกูลปัญญาแก่ผู้อื่นได้จากหลักตรงนี้เราจึงพบว่า ในประวัติการบรรลุธรรมของพระอริยสาวกในสมัยกุศการอย่างน้อยสี่รูปมีทั้งพาะชายาหญิงที่พระพุทธเจ้าเมื่อรู้ว่าผู้นี้จะึงโปรดได้แต่เขากำลังบ้าอยู่กำลังจิตฟุ้งซ่านอยู่ กำลังเป็นกู์เดือดร้อนด้วยปัญหาชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่กำลังขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเช่นเป็นเด็กจรจัดพระผู้มีพระภาคเมื่อจะไปโปรดคนเหล่านี้ก็จะทรงใช้บุคลิกของพระองค์เนี่ยเป็นสื่อก่อนทรงทำความอาธิษฐานว่า ในเช้าวันพรุ่งนี้จะตรงออกประเดชินระบาดไปสู่ที่นี้ให้บุคคล น, นี้เห็นและเมื่อบุคคล น, นี้เห็นก็จะเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นมาเพียงเพราะได้เห็นพระพักตรพระตาก ด, ดาเท่านั้นรือกด ความสงบนิ่งสติสัมมาัญญะกลับคืนมาเพียงเพื่อเพียงแค่เห็นการเสด็จเดินบิณฑบาตด้วยความสงบระงับของพระสาสดาเท่านั้นหรือเพียงเพื่อเพียงแค่ได้ฟังพระศาสดาตรัสพักเท่านั้นได้เห็นพระภักด้วย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 ของผู้ที่มีบารมีสูงถ้าเป็นในทางโลกก็เป็นบารมีบุญบุญเก่าที่สาสมไว้ก็ยังใชส้สัมสสำนึกที่ดีออกมาให้เกิดแก่ผู้พบเห็นทั้งที่บางคนจเรียธรรมขณะนั้นอาจจะยังไม่ดีหรืออาจไม่ดีหรือจะเรียธรรมบางอย่างอาจไม่ดี บางอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างในก ร, รณีของพระพุทธเจา้าทรงถึงพร้อมได้สองอย่างด้วยบา ร, รมีบุญเก่าอันหนึง่งเหมือนอย่างคนสวยคนงามที่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 ถ้าเราเองมีความรับผิดชอบควบคุมเสริมสวยตัวเราเองด้วยธรรมะอย่างนี้ก็จะมีผลเรื้อคูณต่อผู้อื่นแล้วก็ต่อตัวเราเองพร้อมกันไปด้วยกันอย่างแน่นอน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 ทำเมตตากายกรรมที่แม้แต่อยู่เฉยๆก็ยังมีผลมีพลังตรงนี้สำแดงออกเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อบุคคลรอบข้าง สนทดลองนะปากไปีิสูจทดลองว่าจะเกิดผลแค่ไหนบางคนก็ก็ได้ผลเยอะบางคนก็บางครั้งได้ผลบางครั้งไม่ได้ผลบางคนก็อาจจะได้ผลน้อยแต่ผมก็บอกอยู่เสมอเราว่า สนึ่งสำคัญเนี่ยคือถามถามทางสมาธินะ่ถ้าเรามีโอกาสไปปฏิบัติสมาธิจิตเก็บตัวสักระยะหนึ่งเนี่ยจนกระทั่งจิตเราเป็นสมาธิอยู่ตัวพอสมควรนะตามระดับเท่าที่เราทำได้แล้วก็ลองลองทำดูในนั้นว่าเราออกจากสมาธิเนี่ย เราจะไปพบใครจะไปเจรจาอะไรกับใครนะะแล้วก็ลองลองแผ่เมตตาเราดีา้ดูเพื่อดูผลอย่างอย่างเรามั่นใจได้เนี่ยแล้วก็ออกจากสมาธิลองไปพบป่าเจรจากับบุคคลคนนั้นดูหรือแม้แต่เดรัจฉานเนี่ยก็ได้นะคสามารถที่จะทดลองได้นะอ่าอันนี้ว่าถึงในกรณีของ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 ระบบโครงสร้างของขามันนั่งไม่ได้ทำถ้าจะมาตั้งขาอ่อนเหมือนคนกดยกอานั่งได้เขาก็งงอนะเพราะว่าเห็นตีแรกทําไม่ได้ยกตัวอย่างไงอย่า ง, อ ย, างอย่างคุณนิลัตเดีย๋ยวอ้วนๆก้นมากแล้วก็จะมีโรคประจำตัวอะไรยอย่างใหม่ๆเนีนั่งไม่ได้เตนี้ไม่ใช่นั่งธรรมดาไปนั่งสอน นั่งเป็นจมนนูกอะไรนั่งเงียบทีนี้มันมีบางรายเนี่ยคือใบหน้าเนี่ยมันเราเครียกแบบสำนวนที่พูดกันนอกวัดว่าเห็นหน้ากระดาษที่ชุ่ยใจแล้วเพราะว่าเหยกระดาษที่ชุ่ยใ้แล้วมันยี้จริงอะนะฮะคือหน้ามันเป็นตะเก็ยบตะเกีบหน้าอยู่ยี้คือเห็นหน้านมันก็คุ้มใจอะลูกพี่ มันไม่ค่อยสบายใจเลยเหมือนเหมือนเห็นคนใส่บ้าเพื่อผ้ามาได้ริดเนี่ยสมมติเราเราปผูกในใจไหนเรีดดนอกแล้วไม่ได้ดีเนี่ยเห็นแล้วมันก็ไม่เช่ไม่ใคยเป็นที่ดีมงคลแก่ความรู้สึกนะฮะมงคลก็เป็นงี้ทีนี้ก็เาก็เนี่ยถ้าทำสมาธิเอทําไปทำมาเนี่ยหน้ามันเหมือนคขี้เรียบขึ้นเราก็บอกเออ หรอเมื่อก่อนแล้วไม่กล้าพูดตอนหลังไราพูดได้วันนี้หน้าเนี้ยใช้เตารีดยี่ห้อไหนรีดนะฟังที่เคยก็รู้อ่ะใช้เตารีดยี่ห้อไหนรีดก็คือคืปกติหน้ามันยืดต่อะจะดูดีเพราะว่าถ้าคนเนี้ยถ้าว่าหน้ามันมันไม่คดีเนี่ยนะไปขายของคนก็ไม่อยากเลยเราเคยไปทานอาหารบางร้านเนี้ย คนคนขายหมายถึงอาจจะเป็นเจ้าของหรือญาติเจ้าดดของหน้าอีกอีกคือเขาไม่ได้โกรธอ่ะแต่ว่าหน้าก็เป็นอย่างนั้นเราก็ค่อยๆสบายใจไม่ขยะ ก, กิ้นเรืออาหารร้านนี้ไม่ค่อยอร่อยทีนี้ถ้าไอ้คนที่เขาไม่เข้าใจความคิดคือบางคนเขาหน้าเป็นองั้นแต ใ, ใจก็ดีก็มีนะคนที่เขาไม่จะไม่เข้าใจในิสัยเราเขาก็อาจจะคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่มันเป็นร่องรอยของอุปนิสัยแบบนั้นที่คนสะสมไว้แล้วมันก็เลยอยู่ตัวทีนี้คนที่อมีร่องรอยในทางดีสะสมไว้แล้วพอมาถึงตอนนั้นนิสัยอาจไม่ดีแล้วมันก็อาจจะเป็นดวงหน้าที่ขัดกันนิสัยเดี๋ยวนั้นมันก็มีอ่นะนี่เราก็มาทํามันให้มันอา่าสมนอกสมในกันเถอะ คนเขาก็มันจะได้สะดวกใหญ่ขึ้นเวลาคบหาเราแต่ก็ต้องบอกว่าผิวพรรณหน้าตาเราจะเป็นยังไงเนี่ยมันไม่ใช่อาศัยธรรมะเป็นเหตุปัจจัยอย่างเดียวนะมันต้องเกี่ยวกับการพักพ่อ น, นอาหารยีในะตรงนี้เราไม่ต้องพูดละนะขอพูดแต่ว่าธรรมะนั่นเป็นสิ่งหลักที่เข้าไปเติมพื้นฐานตรงนั้นให้มันดีขึ้น คือแค่คนคนเข้าวัดเนี่ยแต่คนไม่เข้าวัด น, นั่นก็ไปยืนรอรถเมย์ที่ป้ายรถเมย์เนี่ยเราก็จะรู้สึกเลยว่าไม่เหมือนกันนะนะคือคนเข้าวัดที่น่าจะเป็นประกายมันมันคือมันจะมันแบบมันมีแววคือดูเป็นประกายทั้งที่ไม่ใช่เป็นคนวิวกญาณเนี่ยก็คือไปเห็นได้แล้วรู้สึกเต็มตาเลยเ่ยอย่างอย่างคนที่เข้าวัดฟางเทศ น, เน์ธรรม ก็จะรู้สึกอย่างนันธรรมะ ม, มันช่วยแล้วก็คนที่มาสู่ธรรมะเนี่ยมาถึงระดับสอนธรรมะแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกเหตุเหมือนกันเนาะมันพอไปถึงจุดนั้นแล้วไอ้ราสีมันจับหลายคนเลยที่ที่ผมไอ้ตัวตัวผมไม่ต้องพูดถึงผมไม่รู้ว่าตอนนั้นก็รู้ว่าโทดโลกไปกค่เจ็บไปแต่คนที่เห็นนานๆนแล้วคงจะทักถูกอะ ที่เห็นกันมาตั้งแต่นานๆแต่ว่ามีหลายคนที่ที่เป็นพวกสอนรุ่นหลังอา่าผมยกตัวอย่างเช่นใส่ชือ่อหนาก็ได้นะเช่นอาจารย์สิงที่มาสอนเอเคยเห็นมาตั้งแต่ก็ยังไม่สอนซึ่งพอสอนนะี่ลาศีจับเป็นแปลกดีนะแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นคนเชื้อที่สมายก่อนคือชื่อจูงเทปทีนี้ชื่อคือสังเกตไห เปลี่ยนชื่อใหม่พอสอนธรรมะแล้ลาสีจักบแปลกเราก็ว่าแปลกมะนะันก็ก็เคยทักนะอันนี้ไม่เหมือนเก่า ล, ลาสีจักเพราะพอมาสอนธรรมะในใจมันดืม่มฤทธิลงไปในธรรมะขึ้นคนไปปฏิบัติธรรมะอะไรอย่างนี้หน้าลอกครับนีถ้าถ้าเราปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมดาเนี่ยมันก็มันก็เป็นไปเหมือนนี่ถ้าเรารู้จัก เอาสมาธิเอาธรรมะเนี่ยมาดูแลหน่อยเนี่ยนะมันก็จะดีขึ้นนะครับเหมือนเหมือนกับว่าเราเราทรําศิพลปะในสักอย่างเนี่ยอแล้วก็ใส่เมตตาลงไปเอายกตัวอย่างยัดทัดเลยอย่างคนที่เขาแกะกระจกทั้งแม่ทั้งลูกของด้จ้กแล้วเขางานเขาเนี่ยขายได้ประกาแพงมากก็คเรียกว่าเป็นคนที่ทําศิลปะทางนี้แบบเล่น ม่งอลูกคาลูกค้าต้องมางอ้อเมาเข้าออกิวกรบราคาเราตั้งแพงๆนะฮะเรมาเข้าออกิวกัญญาเนี่ก็เล่าตรงปากคุณอย่างเช่นเวลาที้ไปบวเป็นเป็นเป็ น, ปนไม่กี่และไม่กี่ไดือนหนูนะแล้วลูกสาวเขาบวชงานเขาทำเส้นงานเขาเรียกว่าในหลวงะลรส่งโทรศัพท์ไปให้ไปทําเรื่องนั้นเนี้ยนนะแขวนนิเวศทำมาประวัตอนะไรเนี่ยเขาเขาบอกเขา ก็สนใจทรรมามานานเขาแผ่เมตตาลงไปด้วยนะแผ่เมตตาลงไปแล้วก็อธิษฐานจิตลงไปเลยจะ่วยว่าสมมติว่าไอ ง, งานคิดนเนี่ยใครซื้อเข้าไปขอให้เห็นขอให้มันคลังเนียคือคล้ายๆปลุกเสกไปด้วยปูุกเสกก็เลยคนเข้าคิวกันยาวยิ่งไปบวชยิ่งโกงลากาได้เยอะเนะเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้อี่ปีก็รอดได้บอก ขอให้ทําให้แล้วให้รับปากให้ทำให้มันคือการอาทําผิดผลนองเราเนี่ยให้มันออกไปด้วยน้ํามือและน้ําใจน้ำธรรมะ ม, มันไม่แค่นั้นใจธรรมดาไอ้แค่เรารับผิดชอบธรรมดาเนี่มันก็ยังดีั้งเยอะแยะอยไรเนี่ยมาเดี๋ยเมื่อเราเราตัดเสื้อผ้าอะไรเงี้ยนี้มันมีได้มีอะไรโผล่รอมแหลมมาแล้วก็ตัดแล้วก็อะไรเงี้ยนะมันยังดูมีคุณค่าทางเยื่ เราไปตัดผมหนึ่งดีก็บอกเสร็จแล้วเฮียบุสาถือตะกายมาไล่ห้ามข้างหลังนะบอกไอ้ตรงนี้มันมันยังไม่เรียบร้อยไงเออล้วก็ยังจะยืนใจแต่แต่บางคนน่มันปล่อยรงเด็ดนะจะตามมารวบรวมให้พ้นพนหน้าไปก็ไม่มีนุภาพอคงพอต้องควรแก่เวลาะครับาวหน้าเราพบกันไหม